เปานังอุปกรปติจิตังปจิตังตุมังคิปเมวัตเมจเตตสะเปปุเรนโตสังกปาจันโตปันนราโชยะธามมนิจโชติราชโยยะตา I n o การจารยญาณเสตํะนังละพั Why, John? บบไปถือน้ำมนต์แล้วโอวิญาามามใหพระไปถือ น, นำม น, นต์ขาวคำขอขมาละทั่วกน บานบานเทนั ยาปะเกลียปอภาราสินตาป วงังคะเรฆาบราจิตา <c oughs>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 ทมาทุกคนในวันนี้ทั้งาติธรรมทั้งท่านท่มีสิ่งใดที่ประมาททานทํารคเลยนะครับก็ได้ขอเข้ามาพระแม่กวนวจารยาพิสดุสุกุลนะครับหากท่านได้อ้อมจิตน้อใจนะครับตั้งนโมสามจบนะครับนโมะพาวตุ นัมเคปมาเดนะท้าวทนาวราชเย กามเรนะทังเกมาเรนวารตเยนะังวารตเนะังสัังอปังสัังอปังธมุโนพันเตธมุโนันเตหังกามิตเมหิปิเมกิมิตบังด้วยกายกรรมวจิกรรมมนุกรรมที่ารแสดงออกเรื่องความเป่ารบนอบนอบตอพระสงค์ขระเจ้า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 นักมามีมองมองอ๋อพายจะบุญพะจาตุวณนวารจะตงวามนีวานนวาปีจงวานตงว่าพัดตงวาเอดิเกดิอ่งกระเจียอ่ะติมีมาดมีหงินอยากให้บอกอยากยากให้ร่งโง่กุปปุมะมูลมาให้เงินไหลนองให้ทองไหมาอยากไ้ขาดจยากได้บอกกระนาจะได้ขาดกระหวังสพักกําลัง